ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับธรรมประหังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งธรรมประหังแล้วเราเค่อยไปฟังหัวข้อในเรื่องของกรรมวันนี้เราจะสร้างกรรมดีกันซก่อน คือการกระทำที่เป็นอะโลภะเป็นอโทสัตและเป็นอโมหะตั้งสติขึ้นท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกลงหายใจลึกๆดูสักสองสามครั้งก็ได้ตามลมหายใจลงลงไปตามลมหายใจเข้าไปจนถึงคอถึงอกจนถึงท้อง้วยะ รู้สึกถึงความอบอุ่นที่อยู่ในท้องหายใจออกไล่มาจากท้องจากอกจากคอจนถึงปลายจมูกนอกหายใจเข้าใหม่ตามลมไปเลยตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องรู้สึกถึงความอบอุ่นอยู่ที่นั่นหายใจออกอีกทีนึ่งหายใจเข้าเอาสิ่งที่เป็นกุศลดำเข้าไปเ้าเสียงแห่งตมะเข้าไป เอาศรัทธาเอาครสอนกข้ไปหายใจออกเอาความวุ่นวายเอาความไม่สงบเอาความง่วงเงานอนเอาความสงสัยเอาความไม่ลงใจออกไปเอาความเครียดทางกายออกไปเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปตามลมหายใจออกนั้นแล้วเรามาสังเกตดูลมหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาตมฝังไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องตามนะคราวนี้ตั้งรู้ดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวเด็กคือตำแหน่งที่อยู่ในโรงจมูกของเราณจุดที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละต่องังจุดที่เราดมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นดอกไม้อาหารขยะต่างๆบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมนะคราวนี้ เหมือนป้อมยามตั้งไว้แล้วเรียกยามมาอยู่ประจำการณะที่ป้อมยามนี้คือที่ตำแหน่งด้านในโปรงจมูกนี้ให้ยามมาที่นี่ป้อมยามคือลหมหายใจของเราณนะตำแหน่งนี้ยามคือสติสติหมายถึงการระลึกได้ให้ความหมายว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำ จำคำที่พูดแล้วแม่นาได้ในที่นี้คือมันนึกถึงลมนะที่ตำแหน่งนี้ความระลึกได้นั้นคือสติสติไม่ใช่ลมหายใจแต่สติคือความระลึกได้ความระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจคือลมหายใจใช่ไละ่ะสติก็คือสติจิตก็คือจิต ในที่นี้เราให้ลมจิตและสติมาอยู่ด้วยกันลมจิตเราให้ตรงจุดที่ไปทําการรับรู้เนี่ยให้มันมารับรู้สนใจใส่ใจนะลมหายใจนี้จิตกว่าหนึ่งใช่ไหมมาสนใจอยู่กับลมให้ความสนใจใส่ใจสังเกตดูระลึกได้นี่แหละคือสติความที่จิตมาสนใจดูลมนี่ ความสนใจดูใส่ใจดูเพ่งจิต ด, ดูระลึกได้ดูนั่นแหะคือสติเอามาจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนี้ในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมคือมาใส่ใจดูอยู่กับลมเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะหรือจะไม่ได้รู้สึกปวดหลังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้นุมกลิ่นหรือความคิดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีอะถูกปล่ามันมี อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาไอล้ลบพังเพียงเรามาสังเกตดูลมเราคิาเราจะต้องไปได้ยินเสียงอะไรเลยจิตจะต้องนิ่งเหมือนน้ำทะเลไม่มีคลื่นโดดโตมันไม่ใช่เพราะมันคนละอย่างกันการสังเกตดูลมหมายใจตั้งสติไว้จึงเป็นกระบวนการการแยกแยะคราพเจ้าอยากให้ทุกฝั่งตั้งสติไว้ให้ดีเพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นการแยกแยะเรื่องประมาณต่างๆกองกำลัง เพื่อเกิดความเข้าใจเรารักษาจิตที่มีความสงบนีไว้ให้ดีเอาละต่อมาฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เรียกว่ากรรม กอไก่ไมฮนากาศหมอมา้าหมอมา้าสละแปลว่ากรรมะเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นภาษาไทยที่เขาใช้รูปมาจากภาษาสันสกฤตคือกอไก่รอหันแล้วก็หมอมา้าในช่วงของใต้ร่มบทิบทตบหวังเป็นประจำในตุกปัญพุทธที่เราจะทำจิตให้สงบกันแล้ว มาศึกษาหัวข้อที่ต้องทำอย่างนี้ประว่าท่านเตือนไว้ว่าการศึกษาธรรมนั้นเป็นเหมือนกับการไปจับงูพิษต้องระมัดระวังความรู้เรื่องราวทุกอย่างต้องระมัดระวังไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีความดีมากหรือดีน้อยยิ่งดีน้อยอยิ่งต้องระวังมาก ประอเสียมันมากดีมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ออระวังประคอบเสียน้อยนเหมือนก็มีไอ้ข้อเสียน้อยๆทถ้าพลาดก็เจ็บตัวเหมือนกันเหมือนกับข้อเสียใหญ่ๆเพียงแต่ว่าโอกาสมันจะมากหรือมันจะน้อยเท่านั้นเองทุกอย่างมีดีมีเสียหมดในเสียมีดีในดีมีเสียเราต้องรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากข้อดี รู้จักที่จะระมัดระวังหลีกเลี่ยงในข้อเสียในทุกสิ่งทุกอย่างทังฝั่งจึงให้มีการทำจิตให้สงบสักครู่ห น, นึ่งก่อนเพื่อจะ ไ, ได้สังเกตเห็นมีความเข้าใจใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีรู้จักระมัดระวังในสิ่งที่ไม่ดีต่างต่นั้นได้ หัวข้อที่ขราพรเจ้าจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของกรรมที่เป็นซีรีส์ตอนที่สองเป็นซีรีส์ที่จบในตัวในสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงหัวข้อของกรรมที่มาจากพุทธพจน์บทที่ว่าเราพิจารณาเนืองให้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรื่องกรรมดากรรมขาวไป ยังไม่ได้ฟังตโมฟังก็ฟังตอนนี้ซะก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับไปฟังในตอนก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่จบในตัวหลักของกรรมในพระพุทธศาสานาเป็นหลักใหญ่ที่อาศัยเรื่องของเรียสัต ส, สีมาทําความเข้าใจในเรื่องของกรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่เหนือ จากกรรมคือพ้นจากกรรมนั้นได้ก็จะแปลว่าหลักใหญ่เนี่นะเราคุณพ้นจากพ้นจากมันได้เรื่องสําคัญที่ว่าโอ้ต้องเรียนต้องรู้ต้องอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็วางหมดอยู่ดีไงเอาแล้วจะเรียนไปทําไมเนี่เพราะว่าถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่ทําความเข้าใจมันวางไม่ได้นะ จึงต้องเรียนต้องรู้ตามความเข้าใจจึงจะวางได้สินั่นแหละไม่อยากแต่บังเพราะว่าคุณค่าประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นมีอยู่จากความเข้าใจคือปัญญาที่เกิดขึ้นหัวข้อของคมที่จะพูดเป็นซีรีส์ตอนที่สองนี้นก็จะเอาพระสูตรที่มาในนิเพติกะสูตรมายกเป็นตัวต้น ที่ตั้งเอาไว้คือลักษณะการอธิบายที่ถูกต้องเนี่ยนะทากฝั่งนะเราจะต้องมีการยกหัวข้อคือแม่บทขึ้นมาซะก่อนแล้วก็อธิบายไปตามหัวข้อแม่บทนั้นว่ารายละเอียดแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นอย่างไรแล้วมีการใช้งานยกตัวอย่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนให้เห็นถึงความต่าง แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อย่างในสัปดาห์ที่แล้วพอทำความเข้าใจเรื่องของกรรมดำกรรมขาวรู้จักพิจารณาแล้วให้เข้าถึงตั้งอยู่ในมรรคห้ได้นี่คือสาระสำคัญนำไปใช้งานให้ได้วันนี้ตามในยะของนิเพติกาสูตรกรรมท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ คนทราบหมายถึงทำความเข้าใจทำความเข้าใจในทั้งหมดห้าเรื่องดังต่อไปนี้แต่ดูบฟังวันนี้ฟังแล้วอะไรไม่รู้เรื่องอะไรทั้งพูดหลายกำเงืองั ม, งมาอย่างน้อยขอให้มันได้รู้ถึงว่ากรรมเนี่ยต้องมีห้าอย่างนี้นะห้าอย่างอะไรนะทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำไมยังไม่ฟังอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหนึ่ง เหตเกิดแห่งกรรมเราต้องรู้รต้องเขา้เาใจต้องสราบสองความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมสามวิบากคือผลแห่งกรรมสความดับไม่เหลือแห่งกรรมและห้าทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม ถ้าอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทตำรวงจะต้องทราบและข้อแรกก่อนที่เราพูดย้ำกันมาตลอดเลยก็คือเรื่องเจตนาว่าเจตนาเนี่ยคือกรรมกรรมเนี่ยคือเจตนาบุคคลตั้งเจตนาไว้แล้วก็จึงกระทําซึ่งกรรมด้วยกายบ้างทางช่องทางกาย ทางช่องทวานทางวาจาหรือทางช่องถวันดังใจสี 4, และต้นรับรวมไข้อนี้โดยก็เป็น6อย่างนะทุกฝั ง, งนะคือตัวมันเองคือกรรมนเนี่ยเป็นอะไรคืออะไรที่เกิดขึ้นมันมาเป็นยังไงในข้อที่2ข้อที่3นี่ประมาณต่างๆรูปแบบลักษณะเป็นยังไงข้อที่สนี่คือผลว่าผลนี่มันจะให้อย่างไร ข้อที่ห้านี่คือความดับไม่เหลือของมันเป็นยังไงและข้อที่หกนั้นคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรดูในข้อแรกกันก่อนตม m b o ฟังที่ว่าตัวกรรมเนี่ยที่เราอธิบายถึงว่ามันคือเจตนาเจตนาคืออะไรเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่มากเลยนะตม m b o ฟังที่ว่าแต่ในทางอภิธรรมแล้ว โอ้ fal. โหเขามีแยกสภาวะจิตหลายอย่างเป็นมนโนทวานจิตเป็นมิถีจิตเป็นชาวนาจิตเป็นวิบากจิตเป็นกิริยากรรมวิบากแยกกันเป็นจิตเป็นดวงดวงดวงดว ง, ด ง, ด ง, ดง هي, อะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะมาอธิบายเนี่ยวเขาจะใช้เวลากันสิบยี่สิคาบนูนะจิตแต่ละดวงละดวงอะไรเป็นยังไงข้าพเจ้าอยากจะทําความเข้าใจกว้างๆก่อน เพื่ว่าฟังเข้าใจถึงหลักการที่เวลาเราจะทำการวิเคราะห์จึงจะสามารถนำไปใช้งานในการตั้งเจตนาของเราให้มันได้ถูกต้องก่อนขันดับแรกคำพูดที่เรามักจะพูดกันว่าโอ้โอไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาทำโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยมันไม่ผิดหรอกจะเป็นไงมันยังว่าเช่นคุณขับรถ ชนคนโดยไม่ได้เจตนาหรือปืนลั่นโดยไม่ได้เจตนาหรือทำอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าตั้งใจว่าจะกดปุ่มอยู่แต่ว่าปุ่มนี้มันกดไปแล้วมีไฟช็อตเฮ้ยเราไม่รู้เลยช็อตเสร็จปุ๊บมีคนตายการกระทำแบบนี้เขาก็เรียกว่าการกระทำโดยไม่ได้เจตนา อ้าทีนี้พอไม่ได้เจตนาแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นอย่างนี้อ้าไม่ผิดไม่ผิดไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจก่อนนะทุกฝังว่าเจตนาในทางกฎหมายที่เขาจะใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะให้เกิดผลอย่างไรๆในทางกฎหมายเนี่ยกับเจตนาที่อยู่ในจิตของเราเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นคนละอย่างกันมีรูปเขียนเหมือนกันมีความหมาย คืจะบอกใกล้เคียงกันมากเลยล่ะแต่ไม่เหมือนกันน่ะคือมันเป็นคนละอย่างกันแม้แต่ในการวิเคราะห์เรื่องศีลของพระเองนี่ก็ตามนะตัมบฟังมีหลายๆเรื่องเลยเรื่องสําคัญสําคัญหนักๆกอย่างเช่นศีลปาราชิกศีล ส, สังขารที่เศษอย่างเงี้ยกรณีของการฆ่านี่ยิ่งเยอะแยะเลยเนือว่าเอา้าคุณวางมีดลงไปตรงนี้เกิดมีดมัน ไปกระทบคนตายอา้าวนี่ปราชิกวะเนี่ยเพราะก่มีคนตายด้วยนี่อ๋อไม่ได้เจตนาหนิอา่าไม่เจตนางั้นไม่เป็นปราชิกไอ้เจตนาแบบนี้ในการที่จะใช้วิเคราะห์เรื่องของกฎหมายนี่มันคนละอย่างกันกับเจตนาที่เป็นกรรมใช้คาเดียวกันเลยนะแต่มันมันคนละอย่างกันนะ่ะอา้าวทาไมท่านว่างี้บุฟังเวลาที่จะฟังบท พยัญชนะของพระพุทธชาเนี่ต้องรักกลุ่มรอบข้อไม่ละหลวมเจาะลึกพิจนารณาเมันทุกคําทุกคําทุกคำํำท่านบอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่เราต้องทราบนี่ท่านบอกไว้ว่าเจตนาเป็นกรรมใช่ไหมแค่นี้ยังไม่พอพูดต่อไปอบอกว่าเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาและด้วยใจนี่พูดแค่เฟสเนี้ยประโยคนี้นี่ครั้งที่2อนะนะเจตนาใช่ไหมแล้วกระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฟังแล้วให้มันคิดนะคิดวิเคราะห์นะแล้วก็แยกแยะใช้ปะเจตนาแล้วนะจึงกระทําเพราะฉะนั้นไอแอคชั่นคือการกระทํา ก็อย่างหนึ่งหมายถึงกรรมเจตนาก็อย่างหนึ่งหมายถึงกรรมเอาขำเดียวกันแล้วทำไมมีเจตนาด้วยมีการกระทําด้วยยกตัวอย่างเช่นทุกคนเนี่ยเอาน้ําแก้วหนึ่งมาดื่มโดยที่ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันมียาพิษดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปคิดว่าเป็นน้ำธรรมดาแล้วตายไหมเอากินยาพิษเข้าไปก็ตายสิท่านก็ไม่ได้เจตนาแล้วทําไมจะมีผ ล, ละ ออเหมือคนหลายอย่างกันไงต้องฟังเข้าใจปะ่ะหรือคุณขับรถไปขับรถไปเกิดมีสุนัขวิ่งตัดหน้าตึมชนเลยนะอาไม่ได้เจตนาเนี่ยอาอแล้วหมาตายไหมอาตายอ๋ทำไมมีผลนะคุณไม่ได้เจตนาถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาในการที่เขาจะวิเคราะห์ในเรื่องบทที่จะลงโทษหรือผลใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาดูตรงเจตนาที่ว่าเอเราเจตนาหรือเปล่านะ แต่ว่ากรรมเนี่ยมันมีแน่ว่ามันมีการกระทําลงไปแล้วคุณกระทําลงไปแล้วเนี่ยขับรถไปแล้วเนี่ยแล้วชนคนแล้วคนหนี่งตายแล้วการกระทำเนี่ยมันมีแน่นอนทางกายเนี่แต่เจตนาฉันไม่มีอลอยมิย่เ ป, เป็นกรรมบะมันจึงต้องแยกกันการกระทําที่อยู่ในเจตนาอย่างหนึ่งเจตนาที่เป็นเจตนาที่เป็นกรรมก็อย่างหนึ่งเราจึงต้องแยกคําว่าเจตนาแบบที่ใช้วิเคราะห์ เรื่องกฎหมายเรื่องศีลว่าอย่างหนึ่งแต่เจตนาที่อยู่ในจิตของเราในการที่จะกระทําอะไรลงไปมันต้องมีแน่นอนอีกตัวอย่างหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ชัดเจนทันทีแต่ชนิดที่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นกรรมอะไรเลยต่มันเป็นกรรมที่เมื่อสุครูเนี่ยนะเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะแต่เป็นกรรมใช่ปะเพราะมันมีการกระทําลงไปละ อีตัวอย่างหนึ่งเช่ไเรากินข้าวธรรมดาเนี่ยแหละกินข้าวธรรมดาเออกินนี่ก็อร่อยกินนี่ก็โอเคฉันชอบกินนี่ฉันก็กินฉันไม่ชอบกินนี่ฉันก็ไม่กินใช่ไ่มกินข้าวไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นกรรมนะทุกฝั่งซึ่งก็แน่นอนว่าจะให้ผลคือเราก็อิ่มท้องแหละแต่ว่าไอการกระทําอะไรที่กระทําลงไปด้วยกิเลสคือราคาโทสะหรือโมหานี่มันเป็นกรรมทันที เป็นกรรมที่จะส่งผลให้เราไปเกิดในที่ต่างๆจะส่งผลสะสมไหมให้มีผลอย่างไรอย่างไรต่อไปต่อไปแน่นอนเราขับรถไปเนี่กับรถไปธรรมดาไม่ได้ชนอะไรใครเลยนะนี่ก็เป็นกรรมนะเป็นการกระทําเป็นเจตนาที่จะให้ผลในการที่ว่าจะเกิดเป็นผลที่จะออกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปเกิดหรือให้ไปละเสียงใดอย่างหนึง่งแน่นอนเพราะว่าการกระทำเนี่อันใดก็ตาม น, นี่ก็แปว่าอยากจะยกตอนท้ายขึ้นมาอธิบายเปรียบเทียบปัญญาเห็นภาพด้วยว่าการกระทำหรือเจตนาอะไรก็ตามเวลาข้าประชาพูดเจตนาหรือการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยนะทุกางนะหมายถึงเจตนาที่อยู่ในจิตของเราเลยนะแล้วมีการกระทำไปทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยเจตนาที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วเรา Take A คชั่นมีการกระทำลงไปทางกายวาจาใจที่เจตนาเนี่ยมันปรุงแต่งจาก ราค่าโทสะหรือโมหะทั้งหมดนะ่ะมันเป็นกรรมหมดเลยนะแต่ว่าถ้าประเดเห็นส่วนต่างนะถ้าบอกว่าเราตั้งจิตบริณุมักแปองค์ประกอบอันประเสริฐ8ดอย่างอันใดอันหนึ่งซึ่งมักแปอันใดันหนึ่งมากอืกน่นๆมันก็มาแหละอาจจะครบท้วนพร่องลงไปตรงจุดไหนจุดไหนแต่ถ้ามีองค์8ปดประการอันประเสริฐแล้วคุณทําลงไปอันนี้มันจะ ไำใ้กรรมเนี่มันไม่สืบต่อหมายถึงกรรมเนี่ยมันจะถูกกําจัดออกไปเพราะอาสวะมันถูกกําจัดออกไปกกรรอาสวะมันถูกกาจัดออกไปถูกกําจัดออกไปมันจึงจะค่อยสิ้นกรรมสิ้นกรรมได้ฟังยี่สินะต้องฝนะั่งนะรูปนี้สําคัญมากมาเลยต้องพูดยาวนิดหนึง่งเจตนาเป็นกรรมใช่ไหมเจตนาในที่นี้ไม่ใช่ว่าทํารถชนคนหรือว่าทําอะไรโดยไม่ได้เจตนาไม่ใช่งี้ย น, นะนั่นทางกฎหมายแยกไปแล้ว ในที่นี้เรากำลังหมายถึงจิตใจของเราในจิตใจของเราในจิตใจของเราที่ถ้ายังมีราคะโทสะหรือโมหะอยู่ทุกคนเลยนะถ้ายังมีราคะโทสะหรือโมหะอยู่จะกินข้าวการกินข้าวแล้วนะ่ะเป็นกรรมสร้างกรรมแล้วเป็นการกระทำลกเป็นเจตนาละคุณเดินถนนไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะ เดินไปฉันจะขึ้นบนันไดฉัจะลงบนันไดเป็นกรรมหมดเลยนะสืบต่อนะที่จะให้เกิดเป็นผลเกิดไปนั่นนี่โน่นได้หมดเลยเปรียบเทียบส่วนต่างนะถ้าในขณะที่คุณกินข้าวในขณะที่คุณเดินถนนขึ้นบนันไดลงบนันไดลราจิคุณมีมักแปะใช่ปะอันนั้นไม่เป็นกรรมนะไม่เป็นกรรมเพราะอะไรอะ่ะท่านมันต่างกันยังไงต่างกันตรงกิเลสอาสวะสะสมไหม ถ้ามีกิเลสอาสวัสะสมในจิตยังไงมันเป็นกรรมแน่นอนตัมโมฟังไม่มีทางเลยที่มันจะไม่เป็นกรรมไม่มีทางเลยที่มันจะไม่ใหไม่มีทางเลยที่มันจะไม่สะสมเพราะทุกขณะที่ว่าแค่เราไม่ได้เดินอะไรไม่ได้กินอะไรนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆเราคิดเรื่องนั้นเราก็คิดเรื่องนี้นเป็นมโนกรรมหมดเลยมโนกรรมหมดเลยเอาทําไมถึงว่างั้นอ่ะออาก็เพราะ ว, ว่าจิตเรามันมีกิเลสอยู่ไง ภาษาทางใจเป็นธรรมารมเข้ามาแล้วมันมีความคิดนึกปรุงแต่งตั่นแต่เป็นมโนกรรมมโนกรรมมโนกรรมหมดเลยนะัะนนั่งเฉยๆนะบางคนนอนด้วยเนี่มโนกรรมเกิดขึ้นแล้วแต่เปรียบเทียบมาเห็นส่วนต่างนะถ้าในขณะที่คุณนั่งหรือนอนอยู่แล้วคิดอะไรไปเป็พลินเนี่ยเพลินใช่ป่ะโนโ น, โ น, โนคิดอะไรด้วยสติสัมมาสติมาเสร็จแล้วปุ๊บมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีองค์ประกอบอันเบร์เสริจแอย่างเนี่ย การคิดนั้น น, น่ะไม่เป็นกรรมนะก็จะพูดถึงแล้วมันก็เป็นกรรมไม่ําไม่ขาวไงคือหมายถึงมันจะสิ้นกรรมกรรมเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดละมันจะถูกถอนออกไปหมายถึงอะไรนะอาสวะมันถูกกําจัดออกไปเอาทำไมเป็นงนั้นได้พระองค์ประกออันประเสริฐแปดอย่างที่เราตั้งไว้ในจิตของเรากิเลสอาสวะเนี่ยมันจะถูกลอกถูกถอนออกไปอย่างเช่นถ้าเราเดินไปธรรมดาโดยแบบว่า ไม่ไมีสติอะไรกินข้าวธรรมดาโดยแบบที่ว่าก็อร่อยดีเดินขึ้นบันไดลงบันไดคิดว่าฉันจะออกกำลังกายแล้วก็จใจ ห, หุ่นดีลดความ้วมอะไรเงี้ยพวกนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องนะเป็นโมหะนะตั้วังโมหะเรามองไม่เห็นมันมีโทษมากคลายก็ช้าด้วยไม่ระมัดระวังปุ๊บมันมาทันที ไอ้อาการไปฆ่าคนอย่างเงี้ยแหไม่มเป็นราคะมันเห็นชัดหรือแบบอยากได้ไปขมโมยอย่างเงี้ยมันเป็นโทสะมันเห็นชัดหรืออยากได้ไปขมโมยอย่างเงี้ยเป็นราค่ะเนี่มันเห็นชัดอยู่แต่อีที่มันเห็นไม่ชัดเนี่ยมันคือโมหะที่มันแฝงอยู่ตลอดเวลาเราบอกว่าไม่มีเจตนาไม่มีเจตน า, นานแล้วโมหะเลยจะไม่มีเจตนาจะขับรถชนคนนะแต่นในขณะนั้นคุณไม่ได้มีมรรคแอยู่ในใจิตใจที่ไหมแล้ชนโต้มไปเนี่ย ยังไงมันเป็นกรรมทางจิตใจว่ามันเป็นโมหะยังไม่ได้ต้องพูดถึงทางกายนะบอกคุณอยู่ต้องถูกลงโทษอย่างไรเพราะว่าถึงแม้ไม่มีเจตนาก็ตามแล้วคนตายเนี่ยยังไงโดยแน่นอนในเจตนาที่มันพูดเรื่องกฎมงกฎหมายเนี่ยต่างหากเลยนะต่างหากต่างหากแยกไปแต่เรากำลังพูดถึงเจตนาที่อยู่ในจิตใจของเราอันเป็นผลของรายราคะโทสะหรือโมหะกิเลสเดี๋วมันบางๆแล้วมันเป็นอาสวะ อยู่ไหนจิตของเราจิตของเรามันเป็นอาสวะอยู่แล้วไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำมีการปรุงแต่งใดๆจากจิต ท, ที่มีอาสวะก็ต้องเป็นกิเลสสิถูกปะละ่ะก็โมหะมันคลุมอยู่ทั้งก้อนอย่างเงี้ยโมหะมันคลุมอยู่ทั้งก้อนคุณจะคิดจะพูดหรือจะลงมือทำ่างกายอะไรก็ตามมันก็ประกอบด้วยโมหะเป็นการกระทำที่มีกิเลสเปมานั่นคือเจตนาละ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะทําให้คนตายหรือฉันก็จะเดินออกกําลังกายให้สวยงามหรือฉันจะกินข้าวทำวลาให้อร่อยหรือฉันจะนั่งอยู่เฉยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โมหะฟาดไปฟาดไปฟาดไปเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมหมดเลยแต่ว่าฉันไม่ได้มีเจตนาด้วยนี่ยคนนั้นแล้วเป็นกรรมแล้วอาไม่มีเจตนาจะ เ, เป็นกรรมได้ไงท่านฟังให้ดีฟังให้ดีเจตนาในที่นี้หมายถึงเจตนาที่เราจะวิเคราะห์เวลาเราจะตีความเรื่องกฎหมาย กดร ป, ปรียบมาได้ต่างๆย่ามาปนกันอ๋อถ้าว่าฉันไม่ได้เจตนาแล้วฉันจะเป็นกรรมไหมไเจตนาเนี่ยคำเนี่ยมันเป็นส่วนของการวิเคราะห์ทางกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็แยกไปไงถ้าจะวิเคราะห์เรื่องนั้นก็แยกไปแต่เจตนาที่พูดถึงว่าเป็นกรรมเป็นกรรมเนี่ยคือการกระทําซึ่งหมายถึงการปรุงแต่งที่ออกมาจากราคะโทสะหรือโมหะ ที่อยู่ในจิตของเราแล้วออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจซึ่งถ้ามันมีกิเลสอยู่ยังไงมันเป็นกรรมเป็นเจตนาเป็นการกระทรําเป็นการปรุงแต่งแน่นอนแน่นอนตั้งแต่ฟังไม่มีคนตายก็ตามไม่ได้กินอะไรก็ตามนั่งอยู่ใฉยๆก็ตามเปรียบเทียบส่วนต่างเพื่อให้เห็นก่อนบอกเะองั้นนตรงไหนมันจะไม่เป็นกรรมแล้วมันเป็นกรรมอยู่ตอลอดตรงที่ไม่เป็นกรรมนั้นคือ ขณะที่เราปรุงแต่งออกไปด้วยองค์ประกอบอันปบอร์เิรแปดอย่างนี้เอาคนรักษาศีลแบบที่ว่าเป็นกรรมนะทุกฝังไม่ได้รักษาศีลแบบสิ้นกรรมนะเอาคานี้มาใช้เปรียบเทียบไม่เห็นส่วนต่างนะทุังรักษาศีลแบบเป็นกรรมที่ไม่ดีด้วยนะศิลปพระตประมาทเนการรูปคาศีลและพรดอย่างไม่ถูกต้องไม่เข้าใจว่ารักษาศีลเนี่ยต้องด้วยสมมาทิฏิ ถ้ารักษาสีไม่ใช่ด้วยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจว่าเออสีนี่จะทําให้เราหลุดพ้นได้นี่เอาก็สั่งให้รักษาสีก็รักษาไปทําไปทําไปเนี่ยมันก็ยังเป็นกรรมที่ประกอบด้วยโมหะอยู่ดีรักษาศีดีๆเนี่ยนะใช่ทุกฟังเพราะมันองค์ประกอบไม่ครบไงพอมันไม่ครบแล้วกรรมมันยังไม่สิ้นกรรมมันยังไม่สิ้นเนี่ยมันก็คือยังมีอยู่ ว่ามันเบาบางลงไปได้จิตของเราระวังนะั้นตัวฝังมันมักจะไปสุดโต่งสองข้างพอบอกว่าไอ้รักษาศีลแบบไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นคำหรือเนี่ยเอางั้นฉันก็ไม่รักษาศีลละนี่ไงจะบอกว่าอันหนึ่งจะทําก็ทําแบบไม่เข้าใจาไม่เต็มที่อีกอันหนึ่งก็เลยจะไม่ทําเลยก็จะไปอีกสุดโต่งข้างหนึ่งเลยไม่ใช่แต่การรักษาศีลนี่มันดีอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ อย่างหนึ่งในแปดอย่างแต่มันยังไม่ครบถ้วนไงคุณก็เพิ่มเรื่องส ม, มาธิฏฐิเข้าไปสิเพิ่มส ม, มาทิฏฐิเข้าไปในศีลเออให้มันครบถ้วนเออมีสติด้วยเอจิตสงบด้วยนั่นแหละมันถึงจะสิ้นกลับได้ตบูฟังต้องแบบว่าคมคมเลยนะคราวนี้เรามันรับเหลี่ยมมุมปัญญาของเราให้มันคมที่สิบสององศาฟังให้ดีให้เข้าใจว่าประการที่หนึ่ง เจตนาที่ไว้ใช้ในการวิเคราะห์ทางการกระทำกฎหมายอะไรต่างเหมือนเป็นคนละอย่าง ก, ก, กันกับที่อยู่ในจิตของเราจิตของเราที่ถ้ายังมีราคาโทษหรือโมหะทําอะไรลงไปนั่นเป็นเจตนาทั้งหมดเลยเแต่ฉันบอกไม่ได้มีเจตนาคนนั้นแล้วโมหะในเจตนาที่บูถึงคําแรงนั้นนะคือบทลงโทษหรืออะไรต่างๆนะก็ทําไปนั่นนะโมหะโมหะอยู่แล้วทําด้วยโมหะ เอาใหม่ยกตัวอย่างให้เห็นส่วนต่างขับรถไปใช่ปะก็ขับไปธรรมดาฟังเพลงไปธรรมดาเกิดมีหมาตัดหน้าใช่ปะหมาตายใช่ปะโอ้ฉันไม่ได้เจตนาอันนี้ไม่ถูกนะเจตนาที่ว่าไม่ได้เจตนาเนี่ยมันคือปายนอกใช่ปะแยกไปแต่เจตนาภายในคุณมีแน่นอนนั่นคือโมหะมีเจตนาที่ประกอบด้วยโมหะในขณะนั้นเราก็เพลินไปทํำไรไปไม่ได้จะคอยระวังอะไรชนหมาตายละ เจตนาในทางกรรมเนี่ยมีแน่นอนประกอบด้วยหมูฮะเอาใหม่ขับรถไปเหมือนกันในขณะที่ขับรถไปเนี่ยนึกพุโทโธไปด้วยก็ตามบางทีดูหลมหายใจไปแ ล, แล้วก็อาจจะฟังเพลงแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังอะไรที่มันจะเข้าหูหรอกแต่ตั้งสติไว้จิตใจเนี่ยประกอบด้วยมรรคแเนี่ยนี่ก็ลองพูดถึงจิตใจขณะนั้นเนี่ยประกอบด้วยมรรคแตั้งสติไว้ให้ดีหมาตัดหน้าใช่ปะชนตุ้มเลยนะหมาตายด้วยนะ อันนี้ไม่ได้เจตนาใช่ไม่มเพระมาะตายเรากตัดหน้าเราไม่ตั้งใจจะชนในตายกฎหมายก็ยากกันไปแต่ว่าในจิตในขณะนั้นของเขาก่อนที่จะชนหมาหรือซ้าก่อนที่จะชนสุนัขนั้นด้วยสามเนี่ยด้วยการที่เขามีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างอยู่ในจิตของเขาแล้วนั้นนั่นอะไม่มีเจตนานะทุกฟังกรรมเนี่ยมันสิ้นไปสินปส้นไปสิ้นไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ขับรถนั้นนั่น่ะเพราะอะไรน ะ, น ะ, น ะ, นะนะ เพราะมีสมาธิติสมาสังกปะจนถึงสมาสมาธิอยู่ในจิตใจขณะนั้นกรรมเนี่ก็ค่อยสิ้นไปอาสวะนี่ค่อยถูกกำจัดไปเพราะอะไรเขาก็เพราะมัรคแปดเป็นสิ่งที่กำจัดอาสวะอยู่แล้วเจตนาขณะนั้นนั่นนะ่ะมันสิ้นไปแล้วเจตนาเพราะเราตั้งมรรคแปดเอาไว้อาสวะสินส้นไปสิ้นไปเป็นการสิ้นกรรมสิ้นกรรมก็หมายถึงอะไร ก็อไอ้เจตนาที่มันจะพอ่อปูเนี่ยมันหลุดออกหลุดออกไงแม้ในขณะที่ขับรถไปเนี่ยแล้วชนไปนั่นแหะอยกต้องแยกกันนะตักวันเขาจะไปต้องแยกกันจิตใจเขาก็เป็นงนี้ชนไปเสร็จแล้วตื่นถ้ายังมีสติอยู่ยังมีสมาธิดีอยู่ยังมีทิฏฐิถูกต้องอยู่รักษาสมาวัจิตอย่างนั้นให้ได้กรรมก็สิ้นไปสินปส้นไปไม่ได้เป็นเจตนาแล้วจะพอ่อปูนไม่มีนะแต่ว่าไอ้ตกใจตกใจเสร็จปุ๊บสมาธิหลุดสติหลุดปุ๊บ อ, าอ้าวกรรมพ่อปูนทันทีโอ้ เสียใจว่าสุนัขตายแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเราจะเป็นบาปหรือไม่โมหะโมหะละเจตนาเอาเข้าทันทีทันหลุดนะทนุดมักแปดใช่ปะทั้งสองคนทั้งสองเคสทั้งสองกรณีตั้งปวัติขับรถชนหมาเนี่ยเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันผิดจังเลยฉันแย่จังเลยกรรมพ่อปูนทันทีกรรมพ่อปูนทันทีเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ฟาดลงไปฟาดลงไ ป, งไ ป, ปะอะไรนะเรไม่มีมักแปถ้าไม่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8ดอย่าง นักขณะจิตอันใดอันหนึ่งนั้นกำมาทันทีเจตนามาทันทีกิริยาการกระทลงไปมาทันทีถ้าไม่มีการขยับปากหรือขยับมือใดๆนั่นก็ไม่ใช่วจีกรรมไม่ใช่กายกรรมอยู่ในจิตนั่นแหละเป็นมโนกรรมแล้วเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดมีการพูดออกไปมีการขยับมือออกไปด้วยนั่นก็เป็นวัจีกรรมนั่นก็เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้น เพราะอะนะมักแปดหลุดโอ้โอ้แต่ว่าถ้าในกรณีของคนแรกเขาก็ฟังเพลงเขาฟังอะไรไม่ได้มีมักแปดจนช น, นหมาเสร็จปุ๊บตั้งสติขึ้นได้ตั้งสติขึ้นได้โอ้โ อ, โอเออเป็นอะไรไหมเนี่ยพยายามมีสติสัมปชัญญะตั้งทิฐิไว้ให้ถูกต้องมักแปดกลับมาใช่ไหมกรรมใหม่ไม่มีนะเพราะอะไรนะของกุปราว่าเขามีองค์ประกอบอประเสริฐแปดอย่างนี้อยู่เนี่ยไอ้กินเลด ที่มันจะมาปรุงแต่งจิตแล้วให้เกิดเจตนาคือการกระทํำลงไปทางใจนั้นน่ะมันถูกสกัดออกไปด้วยอะไรมรรคแปดไงองค์ประกอบประ้องต้นแปดอย่างมีสติขึ้นมาองค์ประกอบอรองต่างๆครบแปดอย่างกรรมมาไม่ได้เจตนาที่ประกอบด้วยกิเลสนั้นเกิดไม่ได้อาสวะต้องถูกกําจัดออกไป คิดว่าไม่ยากนะตัมฟังที่จะทําความเข้าใจแต่ท่านปูฟังยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคลียร์อย่างไง เ, เรื่องเนี้เรายังมีอีกตอนหนึ่งเป็นอีพิโซดที่มีสตอนตัมฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ส่งกันเข้ามาถามจุดไหนอย่างไงโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาที่ทําการของมูลนิธิกใกล้ ตั้งอยู่เลขที่431สาทับถนนประชาราชศายสองบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศหรือว่าถามทางเว็บไซต์ก็ได้ตั้มบุฟังที่ป e ัญญา o อ g โออาร์จีเอเอท์กสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อจะเคลียในสาประเด็นของประการแรกแลประการแรกเรากําลังกล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมใช่ไหม แล้วจึงมีการกระทามลงไปทางกายวาจาใจประเด็นแรกในหัวข้อที่หนึ่งนี้คือเจตนาที่อยู่ในเจกับเจตนาที่เขาจะใช้วิเคราะห์ว่าคุณจะลงโทษยังไงในการกระทาอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นคนละอย่างกันคิดว่านี่ตัมบุฟังคงจะเข้าใจได้ประการที่สองไอเจตนาที่อยู่ในภายในที่ว่าเป็นเจตนาเป็นเจตนาเนี่ยมันคือประกอบด้วย ราคาโทสะโมหะถ้าเรามีราคาโทสะโมหะอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหมันเป็นกรรมหมดเป็นกรรมหมดจริงๆนอนอยู่เนี่ยเดีย๋ยวไม่หลับนะลืมตาเฉยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นกรรมตลอดละสร้างกรรมตลอดแล้วเลยะอะไรอ่ะก็บอกว่าอย่มีกิเลสอยู่ไงอย่ามีกิเลส อ, อ, อาสวะอยู่ยังไงคิดเรื่องอะไรมันมันเป็นกรรมหมดเอ้าแล้วถ้าไม่เป็นกรรมที่ทำยังไง นี่จึงเป็นประเด็นที่สามว่าถ้าเราเอามมักแปดมาประกอบในจิตของเรามีสมาธิถีจนถึงสมาสมาที่ประกอบอยู่แล้วเนี่ยทุกขณจิตทุกขณะจิตเนี่ยนั่นไม่เป็นกรรมนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามักแปททำให้ถึงความสิ้นกรรมอาสะวะจะถูกกาจัดออกไปอาสะวะจะถูกกาจัดออกไปกรรมเนี่ยมันจึงไม่เกิดี่เราปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าด้วยอำนาจของมรรคแปใช่ไหมการปรุงแต่งนั้นน่ะไม่ใช่กรรมแต่การปรุงแต่งนั้นน่ะทำให้สิ้นกรรมหมายถึงเจตนาและไอ้การกระทําที่ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างเนี่ยเป็นกุศลกรรมบุตรเอ้าก็เป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมกันแน่ก็จึงแบบว่ามันก็งงๆตรงนี้จำฟังว่าเป็นกรรมอยู่แต่เป็นกรรมที่ทาให้ถึงความสิ้นกรรม เป็นการปรุงแต่งอยู่แต่เป็นการปรุงแต่งที่ทําให้สังขารการปรุงแต่งนันระงับพูดล้วก็อย่าเพิ ง, งงนะเพื่อนฝังมางแบบมันจึงสวยงามตรงนี้ว่าเป็นการกระทําที่ทำให้ถึงความสิ้นการกระทำํำว่าเป็นสังฆตธ ร, รรมที่ดีที่สุดในบรรดาที่สังฆตธ ร, รรมทั้งหลายเพราะมันทําให้เกิดการสิ้นสังฆตธรรมถ้าจะพูดกันง่ า, งงายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เรากระทําลงไป ไอ้เจตนาที่เรากระทําลงไปใช่ป่ะตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเจตนานั่นแหละมันทําให้สิ้นกรรมเออศีลมันเป็นทางกายทางมาจาถูกป่ะละ่ะท้งใจด้วยนะเราบอกคุณต้องตั้งเจตนาใช่ป่ะการกระทําตามศี น, นั่นน่ะนี่คืประเด็นที่สามนะมันทําให้กรรมเนี่ยมันสิ้นมันทําให้อาสวะเนี่ยมันหลุดออกไปหลุดออกไปเป็นกามไหม เป็นกรรมดีเรีกุศลกรรมบทตรเพราะฉะนั้นที่กัปปชาตพูดไว้ตอนแรกว่ามันไม่ใช่กรรมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ที่มันเป็นกรรมเป็นกรรมดีที่เราไม่ถึงความสิ้นกรรมก็ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งงงไงว่าเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งระงับเป็นกรรมที่ทาให้ถึงการสิ้นกรรมเป็นสังฆตธรรมที่ทําให้ถึงอสังคตธรรมคือการไม่ปรุงแต่ง ท่านวางลองคิดถึงพระพุทธิชาดี่ว่าท่านรู้เรื่องนี้แล้วท่านนั่งอยู่ใต้ตนใสอ่ะอูยฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนเก็ตนี่ทำยังไงให้คนเข้าใจเนี่ยโอ้ยมันจะมันจะเป็นเรื่องอยากนีดหนึ่พอคิดอย่างนี้แล้วจิตใจก็นอมไปเพื่อความควรกายน้อยไม่นอมไปเพื่อการแสดงธรรมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากคนที่ถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมหอ่อหุ้มจะมาเข้าใจเรื่องละเอียดละอ้ะออะไรปาเนี่ยโวย เบาเาเร้าเศเลิกไม่เอาเดี๋ยวมันจะมันจะยากแต่เพราะว่าด้วยความกรุณาว่าเออสัตว์ที่มีจุลินีดวงตายแต่น้อยก็มีอยู่เห็นทั้งผู้ฟังที่มาฟังรายการธรรมะนี่แหละเข้าใจได้จึงอธิบายไว้หลายฉันเรื่องอยากเดี๋ยวโยงไว้ก่อนอธิบายให้มันง่ายๆเอาแค่ว่าศีลสมาธิปัญญาคุณทําโอเคเวรุกุตดีมากคุณทําแล้วด้วยเจตนานะั้นแ่ะมันทำให ถึงการสิ้นเจตนาเพราะอะไรนะเพราะเจตนาอะไรก็ตามที่ยังมีอาสวะประกอบอยู่ด้วยราคาโทสะโมห oh ะทั้งหมดนั่นแหะเรียกว่าเจตนาอยู่ภายในนะภายอกเราตัดไปแล้วเอาเฉพาะภายในแล้วถ้าเราทําตามศีลสมาธิปัญญาองค์ประกอบอันบริบรบรบรบรรสุิ์แปอย่างราคามันสิ้นไปสิ้นไปไอ้เจตนานั้นแนหะมันสิ้นไปดับไประ ง, งับไปแล้วเราจะบอกว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เจตนาหรอ ก็เป็นเจตนาอยู่แต่เป็นเจตนาที่ทำให้เจตนาสิ้นไปเป็นกรรมที่ทำให้กรรมสิ้นไปเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งหายไปดับไปนักกินว่าเปรียบเทียบส่วนให่นี้คงพอจะเข้าใจได้นั่นคือเรื่องของตัวกรรมว่าเจตนาเป็นกรรมจึงกระทำกรรมด้วยกายวาจาและใจนี่คือในประการที่หนึ่ง กรณการที่สองในหเรื่องตามนัยยะของนิพพติกาสูตรนั้นคือเหตุเกิดของกรรมอะไรที่มันจะมาจี้กระตุ้นให้เราต้องมีการปรุงแต่งมีเจตนาออกไปสิ่งที่มันกระตุ้นนั้นก็คือผัสสะนั่นเองมีผัสสะจึงมีกรรมหมายถึงการปรุงแต่งหมายถึงเจตนาหมายถึง การกระทำมีภัสสะเพราะฉะนั้นเช่นถ้าขับรถชนหมาหมาจะตายหรือไม่ก็ตามมันเป็นภัสสะแน่นอนอทํามีภัสสะก็ต้องมีกรรมแน่นอนถูกปะะ่ปล่ะเราจะบอกว่าไม่มีเจตนาไม่ได้นะจึงตรงแยกไปก่อนใช่ไหมส่วนที่จะวิเคราห์เกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายแต่พอมีภัสสะแล้วในทางจิตเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเจตนาซึ่งถ้าบอว่าจิตของเรามีมรรค วลามีภาษามากระตุ้นไอ้ตรงที่ภาษามากระทบแล้วจะให้เกิดการปรุงแต่งออกไปแต่จิตเรามีมรรคแปดอยู่นี่ไงท่านผู้ฟังไอ้เจตนาที่ออกไปมันจึงมันจึงสิ้นไปมันจึงจะบอกว่าไม่เป็นเจตนาที่กัปปะชาพูดว่ามันไม่เป็นกรรมเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าหมายถึงกรรมมันสิ้นไปการกระทำที่เราตั้งเจตนาไว้ในมรรคแปในศีลสมาธิปัญญาทําให้กรรมเนี่ยมันสิ้นไปด้วย องรประกอบอันเปิดแปรยาเรารักษาจิตอยู่ไงเพราะไอ้ภาษาที่มันจะมากระตุ้นนี่มันจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งออกไปที่เป็นด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่ได้เอาโดยสมมติว่าถ้าไม่มีักแปบสักกันเนติของคนทั่วไปไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิอเอาแค่ข้อเดียวพอถ้าเอาข้อเดียวพอแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ละ และเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไอสิ่นที่รักษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัมมาวาจาแล้วมันเป็นมิจฉาวาจาถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ปะ่ะไอการกระทําลงไปนะั่นก็ไม่ใช่เป็นสัมมารกรรมันตะนะน้นนองก็ต้อเป็นมิจฉากรรมตะนะถูกปะะ่ะหลักเพระเาะฉะนั้นพอเราเอาผัสสะ ม, มาประกอบกันด้วยแล้วเนตัวฟังเราจะเห็นภาพกว้างขวางขึ้นว่าเออถ้าจิตเราไม่มีมรรคแใช่ไหมจิตมาเดือบเลิบเล่นไปบางทีกับมีโมหะบางทกับต่างสติไม่ได้เป็นมิจฉาสติ ระลึกไปในทางไม่ชอบมีภาษาอะไรมากระทบเนี่ยมันสร้างอ ส, สวะเป็นนวิชาสวะเป็นราคาสวะเป็นปฏิฆาสวะอยู่ตลอดอยู่ตลอดกิเลสไม่เกิดตลอดกิเลสก็มีภาษาเป็นแดนเกิดเหมือนกันลักษณะการที่จิตปรุงแต่งออกไปแบบเนี้ยคือกรรมละเป็นการปรุงแต่งทางใจก็เป็นมโนกรรมก็มโนสังขารหรือมโนสัญเจตนาก็เป็นมโนสัญเจตนาหาัน เราบอกเป็นเจตนาใช่ไหมเป็นกรรมคือการกระทำใช่ไหมเป็นสังขารคือ ก, การปรุงแต่งไงใช้าภาษาที่หมักกระตบหรือถ้าปาขยับไปด้วยก็เป็นการปรุงแต่งทางวาจาก็เป็นวจีกรรมก็เป็นเจตนาทางวาจาหรือถ้ามือขยับไปด้วยในขณะที่คุณยังมีอาสวะมีกิเลสสามอย่างนั้นขาขยับไปมือขยับไปก็เป็นกายกรรมเป็นเจตนาทางกาย เป็นการปรุงแต่งทางกายออกไปทีนี้ถ้าว่าเรามีมรรคแบบประกอบไ้ในใจใจของเราใช่ป่ะมีภาษามากระตบตึมคุณมีสติตั้งไว้อะเป็นสัมมาสติอะมีสมาธิจิตเป็นหนึ่นเดียวมีทิฏฐิที่ถูกต้องเวลาจะปรุงแต่งอะไรออกไปใช่าหมพอมีภาษาเราจะมีการปรุงแต่งเนี่ยอารวามันจะลดลงไปมันจะถูกกาจัดออกไปเพราะอะไรนะ พระอาสวะใหม่ไม่สร้างทำไมนะเพราะมักแปดรักษาจิตเราอยู่มีภาษามา ก, กระทบด้วยสั ม, มาสติด้วยองค์ประกอบอื่นๆแปดอย่างการปรุงแต่งออกไปทางใจแล้วน่ะเป็นมโนกรรมใช่ไหมเป็นมโนสังการใช่ไหมมันทําให้อาสวะมันลดลงไงอาสวะลดลงก็อะไรลดอ่ะถ้าโทสะลดก็เป็นอ่ะโทสะถ้าโลภะลดก็เป็นอ่ะโลภะอโลภะอ่ะโทสะอ่ะ โ, โมหะอ่ะมันก็ไม่เป็นกา ร, รมมาดี ก็การปรุงแต่งนั้นมันทำกรรมให้สิ้นไงเปรียบเทียบไปเห็นส่วนต่างอย่างนี้นะตัววังนะนี่คือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมของกรรมนั้นคือฝัดสัจะเกิดกิเลสก็ได้เป็นกรรมแล้วจะน้อยจะมากเป็นเจตนาทั้งสิ้นจะไม่เกิดกิเลสก็ได้ก็จะมีมักมาประกอบอาสวัก็สิ้นไปกรรมก็สิ้นไปเหตุเป็นแดนเกิดเป็นอย่างนี้ ถัดมาอีกความเป็นประมาณต่างๆของกรรมท่านใช้คาว่าเวมัตตาแห่งกรรมความเป็นประมาณต่างๆแห่งกรรมก็คือเวลาที่มีการปรุงแต่งอะไรออไปแล้วใช่ไหมนึ่นเป็นสังขารละเป็นการกระทาละเป็นเจตนาละด้วยกายวาจาใจละยังมีอาสวะเนื่องด้วยแล้วเนี่ย ถ้ากิเลสมันน้อยมันไม่มากไรราคะน้อยโทสะน้อยโมหะน้อยส่วนที่เป็นบุญเช่นมีการให้ทานมีหิริโอต ป, ปะสิ่งที่ปรุงแต่งไปนั้นก็จะให้ผลลักษณะกรรมที่ทำแล้วจะให้ไปเสวยผ ล, ผลในเทวโลกก็มีในมนุษยโลกก็มีในกึเนิดเทาชันก็มีในสัตว์โลกก็มี สิ่งเหล่านี้เป็นประมาณต่างๆก็คือลักษณะที่ว่าเราปรุงแต่งออกไปนี่นะเป็นกายวาจาใจเนี่ยคือถ้ามรคมันยังไม่พร้อมบริบูรณ์ถ้าองค์ประกอบ8อย่างยังไม่พร้อมบริบูรณ์ยังไม่เต็มที่ยังไม่สุกงอมอสวมันยังเกิดอยู่แต่มันค่อยๆล่ออ อ, ลออกลอ่อออกไปเกิดใหม่บ้างจากการกระทําที่เราไม่ได้ประกอบมรค8ปาอสวกสร้างมาจุดที่มีมรคแปดดี่ตรงนั้นก็ป้องกันได้ ถ้าเป็นลักษณะที่มีการเบียดเบียนกันมากการเบียดเบียนเป็นไปกว้างขวางการกระทําแบบนี้จิตก็จะไปอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนอยู่กับสัตว์นรกมีการเบียดเบียนมีความกลัวหรือถ้าลักษณะที่สัตว์มีกําลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่ามีความสุขบ้างอะไรบ้างหนับสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าเป็นลักษณะที่มีความกลัว มีความอดอยากสุขก็มีนะนั่นก็เป็นเปรตหรือถ้าสุขและทุกข์พอๆกันนันก็เป็นมนุษย์หรือถ้าสุขมากกว่าทุกข์ดีมากกว่าชั่วกุศลกรรมมากกว่าอากุศล น, นันก็เทวโลกไงลักษณะการปรุงแต่งที่ประกอบด้วยเจตนาอันเป็นผลของกิเลสที่ยังประกอบไว้เนี่ยมันจึงให้ผลเป็นประมาณต่างๆแบบนี้ ตามอณิสง์หรือตามลักษณะการกระทำที่เราทำลงไปเป็นจุดบวกกรรมในยุติธรรมเสมอหรือล่าจริงๆมันไม่ถูกหรอกเพราะการให้ผลเป็นไปประมาณต่างๆมันประกอบกันหลายชั้นหลายอย่างถูกใจคนนี้อาจจะไม่ถูกใจคนนั้นเสมอภาคนี่คือไปตามระบบระเบียบของเขาไม่ไว้น่าใกล ลักษณะทางที่ประกอบด้วยอกุศลมากก็คือมีกิเลสมากมีกิเลสมากลักษณะการให้ผลนันก็มีทุกมากทุกที่จะมากมากก็เป็นลักษณะของนรกอย่างที่ว่าถ้าเป็นลักษณะกุศลก็ามาบทคือทางที่จะทำความดีความดีมันก็นมาตามทางมักแปดเยชวนที่มันกำจัดอาสวะกิเลสออกไปก็มี เอาส่วนที่ยังไม่ได้สมาธิยังไม่เต็มที่สติยังไม่เต็มร้อยเอามันจะให้ผลเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์มันก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างอย่างนั้นก็แฟงแฝดีแ้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยประมาณต่างๆที่ผสมตามแต่กิเลส ท, ที่มีตรงนั้นมากน้อยไม่เท่ากันนี่คือประมาณต่างๆแห่งกรรมถัดมาประการที่สี่นันคือผล ซึ่งมาจากคำว่าวิบากคือผลที่มันสุกออกมาแล้วไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดิดบๆนะแต่สุกออกมาเป็นผลแห่งกรรมแล้วก็จะสุกออกมาทันทีก็มีเป็นวิบากที่จะให้ผลในปัจจุบันก็มีทันกวันเดียวนั้นหรือในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาต่อมาอีกสาวาระลักษณะที่มันจะสุกเนี่การกระทำ ที่ประกอบด้วยกิเลสนั่นแะนะมีเจตนานั่นแหะจะให้ผลในเวลาเดี๋ยวนั้นก็มีในเวลาต่อมาก็มีในเวลาต่อมาต่อมาอีกลักษณะการสุขงองของมันก็จะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณทำกรรมชั่วกรรมนี้ไม่ดีม า, มากๆเลยเป็นอกุศลกรรมบุตใช่ปะ่ะโดยกิเลสอย่างมากเลยกิเลยอย่างมากที่คุณนาลงไปเนี่ยมันก็จะได้รับทุกข์อย่างมากใช่ป ซึ่งทุกอย่างมากที่จะต้องได้รับเนี่ยมันไม่มีในโลกมนุษย์ก็ต้องรอให้ผลตายไปแล้วค่อยไปตกนรกทุกที่แบบว่าไฟบรรลัยกันอย่างเงี้ยมันไม่มีในโลกมนุษย์ตรงไปตกนรกก่อยถึงจะเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหรือถ้ามันหนักมากๆเลยนะเรวก็จะเรียกว่าทรณีสูบเลยแหวกพื้นดินออกคนตกลงไปไฟล้วงขึ้นมาอา้าวไปตกนรกไปเลยเพราะมันต้องให้ได้ผลทันควัน หรือมาให้ผลก่อนซึ่งลักษณะกรรม16อย่างนี้ครพระเจ้าจะนำมาพูดในเอพิโซดต่อไปหรือว่าบางทีเราทำความดีเช่นนั่งสมาธิอย่างไปตอนคุณทำมรรคแปลให้เจริญละแต่ว่ากิเลสมันยังไม่หมดใช่ไหมด้วยสมาธิที่เรามีเออลักษณะกิเลสที่มันลดลงไปลดลงไปเป็นความดีไม่คิดปางร่างไม่คิดพยาบาทลักษณะการทาความดีที่ทาลงไป ก็คือเป็นอาราฆาอาโทษาอาโมหะเนี่ยมันจะให้ผลเป็นสิ่งดีมันก็จะต้องได้รับถ้ารับได้รับเดี๋ยวนี้ก็มีจิตใจสงบเย็นในลักษณะที่ว่าโอ้ต้องมีอยู่วิมานสวรรค์เออมนุษย์เหมือนไม่มีก็ต้องไปรอต่อไปผลที่เวลาต่อไปไปเกิดในภพภูมินั้นๆตามแต่ที่กระทำก็มีที่จะเกิดเดี๋ยวนี้มันก็ทุกข์ใจร้อนใจก่อนถ้าเป็นอกุศล มันก็จะมีความชุ่มเย็นใจสบายนะครับเป็นกุศลผลวิบากอริยาการให้ผลจึงมีสามอย่างอย่างนี้แต่ในประการถัดมาคือความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั่นคือความดับไม่เหลือแห่งปัดสักข้อนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจะมากระทบนะตัแต่วันปัจจะมากระทบแล้วมันเข้าถึงจิตไม่ได้ต่างหานั่นคือไม่มีปัสัก ไมายถึงไงก็ต้องเอาข้อสุดท้ายมาประกอบกันด้วยคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั่นคือองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและส ม, มาสมาธินี่คือองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง ที่จะทำถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมหมายถึงทั้งความดับไม่เหลือแห่งพัสสะและความดับไม่เหลือแห่งเจตนาเจตนานะั้นผูกฝังเจตนาหมายถึงหัวใจของเราเนี่แหละที่มันยังมีราคะมีอาสวะสะสมอยู่ถ้าเราปฏิบัติตามมาแปดตบะเราปฏิบัติเต็มที่เลยนะสุขงอมแล้วเนี่ยลักษณะที่สมาธิแวดล้อมเจตอยู่ ปัญญามาประกอบไว้ในลักษณะที่อาสวะจะตั้งอยู่ไม่ได้ท่านเจตบทเปลี่ยนชนะนี้ทูลฟังว่าเพราะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อัญหาอาสวะไม่ได้อาสวะที่ประกอบกันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยสมถวิปัสสนาที่เราทําไว้พัสดะมากระทบนี่มันไม่มีกามนาเพราะอะไรนะ เพราะปัญหาอาสวะไม่ได้ไงเพราะอาสวะไม่มีภาษามันกระทบวบหายวบวบบดับเลยดับพื้นนิโรธภาษากระทบไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้กระทบทำไมนะอาสวะหายเพราะอะไรสมรถาวิปัสสนาครับเอาสมถาวิปัสสนานี่มันคืออะไรศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิก็สมาธิฐิจนถึงสมาสมาธินี่ไง องประกอบอันปบริสุดแปอย่างอ่ะครบละในที่นี้หมายความว่าไงคือถ้าท่านผู้ฟังจำหกอย่างนี้อะไรไม่ได้เลยนะเอาแค่สามอย่างพอกได้หนึ่งเจตนานคือกรรมไม่ใช่ว่าเจตนาในทางทั่วไปนั่นแยกเอาไว้แต่ในที่นี้เราหมายถึงจิตที่ประกอบด้วยยังมีราคะโทสะโมห์ทั้งหมดเลยนะันะ ทำอะไรที่เราว่าไม่เจตนาไม่เจตนานแล้วมันเป็นเจตนาเจตนาแรกกับเจตนาหลังเหมือนกันนะเจตนาแรกนี่คือทางกฎหมายโดยทั่วไปเจตนาหลังนี่เราหมายถึงกรรมเป็นกรรมแล้วเป็นกา ร, รปรุงแต่งแล้วทางกายทางวาจาอะไรเฉยเฉยชิวชิวทุกว่าไม่ได้เจตนานั้นแหละเหมือนเจตนาแล้วสองเราจะไม่ให้เกิดกรรมได้จิตเราตรงนั้นต้องประกอบด้วยมรรคแป องประกอบอันประเสริฐแปดอย่างป้องกันจิตของเราเอาไว้ก็จะเป็นอาร า, าอาโทสะโมหะมีภาษามารครับแล้วคุณประกอบด้วยมรรคแปนั่นนะ่ะอาสวะหลุดไปหลุดไปกรรมเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้กรรมเกิดไม่ได้ไหมายถึงไงสิ้นกรรมไปสิ้นกรรมไปสิ้นอาสวะไปสิ้นอาสวะไปราคาโทสะโมหะสิ้นไปสิ้นไปเป็นการปรุงแต่งที่ทําให้การปรุงแต่งระงับ เป็นสังขารที่ทําให้สังขารระ ง, งับเป็นเจตนาการตั้งมักแปะไว้ในเป็นเจตนาเนี่แหละเป็นเจตนาที่ทำให้เจตนาระ ง, งับเป็นกรรมที่ทาให้ถึงความสิ้นกรรมไงเพราะฉะนั้นพอเรามีมักแปลแล้วมีภาษามันกระทบเลยยินดีเลยยิ่งคูณออกเลยยิ่งลอกออกเลยแต่นะถ้าไม่มีมักแปะใช่ไหมมีอะไรมากระทบยิ่งพอกปูนและยิ่งพอกปูนเล ย, เลยมันก็จะให้ผลเราตะปอกปูนจริงที่เป็นสุขมันก็จะให้ผลเป็นเทวดา มนุษย์คือประกอบด้วยกุศลมีอกุศลอยู่แต่น้อยหน่อยหรือถ้ามีอกุศลมากหน่อยกุศลน้อยหน่อยก็สัตว์นรกือเหมือนต์เดรัจฉานหรือเปรตตอนี้ไอจังหวะที่เราจะให้ประกอบด้วยกุศลแล้วให้มันหมดเลยเนี่ยก็ต้องมาทางกุศลไงมาทางกุศลเพราะว่ามังแปดมันก็ประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมาการมิตรอะ้รมันเป็นองค์แห่งกุศลก็รมบทอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปัญญาเข้าไปด้วยนะใส่สติใส่สมาธิเข้าไปด้วยอย่าแต่ว่าให้ทาน อย่าแต่ว่ารักษาศีลสมาธิปัญญาใส่ประกอบเข้าไปเออมันสิ้นกรรมได้นะระวังนะนี่คือประการที่สองและสรุปจบในประการที่3ที่บูถึงนั่นก็คือว่าพัฒนนี่สาคัญภาษะเป็นเหตุเกิดก็ได้เป็นเหตุดับก็ได้มักแ8จะเกิดขึ้นได้กรองอาศัยภัฒนเหมือนกันไงมักแปจะทํางานได้ผลดีในการให้เกิดอาราคะอโทะออสะโมพภาษะก็ต้องหมายถึน มีภาษาคือเหมือนคนกดปุ่มเรานะกดปุ่มที่ปกติเราจะโกรธใช่ปะแต่ว่าด้วยมังแปเราไม่โกรธเรามีสมรรถสังกัปปะเรามีสติเราพูดดีเรามีสมรรวาจาโทสะที่ปุ่มนั้นที่มันเคยเป็นโทสะเนี่ยมันจะกลายเป็นอาโทสะแต่นี้มันจะหลุดออกทันทีหนาๆหลุดออกไปก่อนหลุดออกไปก่อนเหลือบางๆเหลือละเอียดละเอียดเนี่ยมันแก่มายากเพราะฉะนั้นสําคัญ3มเรื่องนี้จำไม่ได้ต้องระวัง จะไม่ได้ในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกรรมนำนัยยะของนิพพติกะสูตรมาอธิบายท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆทรงเขียนถามกันไม่ได้ตามที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมารับรุ์ในช่วงของใต้ร่มบพิบทที่จะเป็นการนำหัวข้อธรรมะเหล่านี้มาอธิบายได้ในทุกวันพุทธ ตั้งแต่เวลาตี5ถึงหโมงเชา้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบ팟แคส์ r c h จากคำว่าปัญญาภาวนาหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้รับฟัง YouTube Channel เราก็มีเว็บไซต์ก็คือที่ปัญญา .org p a n y a .org ข้าพเจ้าพระมหาไปบูรณ์พระพิปุนตน แล้วพบกันใ ห, ห, นหม่ในวันบรุ่งนี้จริญบรณ